ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หมงปโพธิญาณในวันนี้จะได้นำเสนอทิปโสตคือหูชิปตามนัยะที่ทรงแสดงไว้ในสามัญญผลสูตรแก่พระเจ้าชาติตรูต่อไปคือประเด็นของเรื่องเนี่ยพระเจ้าชาติตรูเนี่ยที่สอบถามพวกคณาจารย์เจ้าลับชีทั้งหก ผู้ครูทั้งหกเนี่ยว่าอะไรเป็นผลของการเป็นสมณะแต่พวกนั้นก็ตอบไปคนละเรื่องคนละราวครับทำให้ท่านไม่พอใจแล้วก็มากราบสูนถามแล้วพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เรียงลำดับขึ้นมานะฮะแต่ว่ากำลังอธิบายเรื่องสมาธิอยู่ตรงนี้ก็เป็นต่อจากสมาธิไปก็ต่อจากฌานไปต่อจากรูปฌานสี่ไปเนี่ย หมายความมาจิตในขณะนั้นก็เป็นจิตที่ผ่านจตุตฌานมาแล้วไอ้หูทิพนั้นก็มีลักษณะคล้ายๆกับ ว, วิทยุเนี่ยหมายความมาคลื่นแสงเนี่ยขึื่นเสียงเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยในโลกเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ยินนะแต่การที่เราไม่ได้ยินไม่ได้หมายความมาเสียงนั้นไม่มี เพียงแต่ว่าเราไม่มีเครื่องมือในการรับคลื่นเสียงเท่านั้นเองถ้าเรามีเครื่องมือเราก็สามารถที่จะรับได้เพราะเสียงนั้นมันเป็นเสียงที่ละเอียดเรามีวิทยุเราก็สามารถรับได้แต่นี่เสียงเนี่ยมันมันยิ่งละเอียดมากกว่านั้นเสียงไกลเสียงใกล้เสียงทิพเสียงมนุษย์เนี่ยมันมันทั้งหมดอ่ะแต่ตรภาพของหูเราเนี่ยมันจำกัดคือฟังอะไรไม่ได้ไกลหรอก ไกลไปหน่อยเราก็ฟังไม่ได้ยินแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าในความในอายตนะของเราในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเราเจนว่าตาเนี่ยทําให้เป็นทิพย์ได้หูเนี่ทําให้เป็นทิพย์ได้ใจเนี่ยทําให้เป็นทิพย์ได้แต่จะหมูกลิ้นกายเนี่ยทําให้เป็นทิพย์ไม่ได้เพียงแต่ว่ากายเนี่ยใชยอ่อิทธิวิธีโดยในยะที่แล้วเนี่ยโดยรวมทั้งหมดอนะครับหมายความมาโดยโดยร่างกายเนี่ย หรืออาศัยเป็นนิธิวิธีได้สามารถจะไปปรากฏในที่ต่างๆอย่างที่อธิบายไว้ในข้อก่อนเนี่ยแต่เราถึงใช้อนาทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้นะครับเพราะแนวที่ระโสดคือหูชิบรับสั่งแสดงโดยสภาพจิตเดิมนะฮะจิตจิตที่บริสุทธิ์แบบเดิม แต่มีความลึกซึ้งขึ้นนะฮะลึกซึ้งขึ้นแต่ว่าภาษาที่ใช้เนี่ยไม่รู้จะสื่ อ, อยังไงมันก็สื่อเท่านั้นนะบริสุทธิ์ผองแพร่ระเห็นว่าพ่องแพร่นี้มันไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นโลกียะก็กิเลสยังไม่หมดนะถ้าเป็นโลกียะเพราะว่าพวกที่ประสูตเนี่ยเป็นโลกียะก็ได้แต่ถ้าเป็นโลกียะก็แสดงว่ากิเลสไม่หมดก็เป็นความผองแพร่ระดับหนึ่งไม่ใช่ผองแพร่แบบจิตใจของพระอระหรันต์ แต่ถ้าเป็นของบระหารก็แสดงว่าของแพ้วจริงๆทีนี้คํานั้นไม่ควรจะใช้สื่ออย่างไงอ่ะเช่นคําว่าบริสุทธิ์อย่างเนี้ยบางทีมันไม่บริสุทธิ์หมดจดจากอสซับ้ากิเลสเครื่องสมองทั้งหลายอะไรหลอกมันเป็นการบริสุทธิ์ระดับหนึ่งนะเช่นสีนวิสุทธิ์ความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสีนเนี่ยมันก็เป็นความบริสุทธิ์ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่บริสุทธิ์ของแพ้วจนไม่มีอะไรเป็นเครื่องขุนมัวเลยมันก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นอย่างแต่ว่า เป็นความบริสุทธิ์ระดับทางกายทางวาจาไม่ถึงก็พูดผิดทําผิดออกไปท่านั้นเองแต่ใช้ความความบริสุทธิ์เมื่อเมื่อเดิมพอถึงจิตบริสุทธิ์จากนิวรณ์เราก็พูดออกบริสุทธิ์พอบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสทั้งหลายก็ใช้คำว่า บ, บริสุทธิ์อ่ะมันไม่มีคําอื่นที่ใช้แล้วก็สื่อสารได้ชัดเจนว่าในที่นี้ก็รักษาว่า ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ผ่องแพ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่ อ, อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้อมน้อมจิตไปเพื่อทิพย์โสตคือหูชิบเธอย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์แล้วก็เสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยทิพย์โสตอันบริสุทธ์ล่วงโสตของมนุษย์ตรงนี้นพระพุทธเจ้าทรงใช้ ท่งใช้ในการอบรมพระนี่บ่อยมากคือพระเราวเวลาจับกลุ่มคุยกันเนี่ยบางทีเมื่อคุยอยู่ในร่องในรอยดีนะฮะเรื่องกขร า, าวดีแต่บางทีมก็เตลิดออกไปนอกเรื่องนอกราวเพราะวเวลาพระประชุมกันนั่งคุยกันเนี่ยนานๆพระพุทธเจ้ากําหนดด้วยประโสงค์ตถาต้าันเป็นทิพยฟังดูเจ้าก็คุยเรื่องอะไรกัน นะถ้าคุยเข้าเรื่องข้าราวก็ไม่เสด็จหรอไม่ไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องเสด็จก็ไม่เสด็จแต่ถ้าคุยแล้วก็เกิดสงสัยเกิดความขัดแย้งเกิดความสับสนหรือออกนอกเรื่องไปเนี่ยจะเสด็จ เสด็จทำทีเดินใกล้ๆไปนะพิสูจทั้งหลายก็กราบทูนรัตนาภาพมันอบอุ่นนะภาพสมัยพระพุทธเจ้าที่อบอุ่นอย่างน้นว่าพระผู้ใหญ่สมัยนี้เทียบโยเทียบพระเจ้าไม่ได้เลยพระเจ้าอบอุ่นมากคือพระษาวกนิมนต์ขึ้นนั่งก็คุยกับเขานะไปนั่งคุยกับเขาเหมือนพ่อนั่งคุยกับลูกมันบรรยากาศมันอบอุ่นมันซาบซึ้งมากเสร็จแล้วก็ถามพิสูจคุยเรื่องอะไรกันเรื่องอะไรที่หยุดไว้ ที่สุดก็จะกราบทูลให้ทรงทราบแล้วเสร็จแล้วก็จะท่งปรลบเรื่องนั้นจะเทศจะอธิบายทต่มาให้ฟังก็แก้ข้องใจเธอทั้งหลายก็ได้บรรลุมรผลกันไปเพราะั้นการใช้เนี่ยเราจะเห็นว่าจะใช้บวกแล้วคุณสมบัติเหล่านี้ได้โปรดสังเกตนะฮะว่ามันถ้าจิตไม่ได้พัฒนาแล้วในใช้ทางลบได้นะฮะ หูชิปนี่ใช้การไปฟังข่าวลับอะไรของใครที่ไหนต่างๆได้แล้วก็ทายมันเป็นไส้ศึกโอมันตายเลยนะฮะถ้าจิตใจไม่บริสุทธิ์แล้วตายเลยเลยเพราะมันใช้ลบได้อในขณะที่ใช้บวกได้ก็ใช้ลบได้เหมือนกันเช่นคนเขาวางแผลอะไรลึกซึ้งกันเราก็กำหนดหูชิปไปฟังเขาอย่างเนี้ยไม่ได้ฮะจิตมันสูงเกินที่จะออกไปใช้อย่างนั้นเพราะการใช้เป็นการใช้เพื่ออนุเคราะห์โลก เป็นโลการนกรรมปรโกเป็นการโนคราโลกคือใช้เพื่อต้องการจะช่วยเหลือเขาในกรณีที่เขามีปัญหาข้อข้องใจสงสัยเกลือแคลงไม่แน่ใจเกิดความสับสนเรื่องทั้งหลายไม่ประจาไม่กระจางแจ้งชัดเจนเนี่ยพระเจ้าก็จะใช้ประโสดทิพคือหูทิพนี่ฟังเสียงของคนล่านั้นแล้วก็เสด็จไปโปรดตามต้งควรแก่กรณีนะฮะตามต้งควรแก่กรณี และรับสั่งว่าเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลก็จะพึงได้ยินเสียงกลองบ้างเสียงตะโพนบ้างเสียงสังบ้างเสียงบรรเดาะบ้างเสียงเปิงมังบ้างก็จะพึงเข้าใจว่าเสียงกลองดังนี้บ้างเสียงตะโพนดังนี้บ้างเสียงสังอย่างนี้บ้างะเสียงบันเดาะดังนี้บ้างเสียงเปิงมางดังนี้บ้างฉั้นใดพิสูจก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจิต เป็นสมาธิบริสุทธิ์ผองแผ่ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่ อ, อนคนแก่การงานตั้งมั่นไม่วันวาอย่างนี้ย่อมน้มน้อมจิตไปเพื่อทิะยะโสาธาตโสตาธาตเธอย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพเสียงมนุษย์และทั้งได้อยู่ไกลแล้วก็อยู่ใกล้โดยทีประโสอันบริสุทธิ์ล่วงโสตของมนุษย์อันนี้เป็นเหตุให้พระเจ้าใช้เป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะเวลาเกิดปัญหา เวลาพระท่านอยู่กันส่วนตัว้างท่านท่านถกเฉียงสันสนธนาตนาข้อยุติไม่ได้และกาหนดจิตต้องการจะถามอะไรหรือคิดจะถามนะพุทธเจ้าพระจาก็จะกาหนดรู้โดยประชัยคือถ้าเขาไม่มีปัญหาก็แล้วไปนะฮะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยสาคัญที่สุดว่าเมื่อจิตสูงขึ้นเนี่ยคุณสมบัติพิเศษเนี่ยถูกใช้ไปในทางบวกในทางอนุเคราะห์ต่อชาวโลก ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มีลักษณะเกื้อกูลน้ำหน่วยความสุขให้แก่โลกแล้วพวกนี้ถ้าเป็นคุณสมบัติพิเศษแล้วอยู่ในตัวมนุษย์ธรรมดาทึ่มีโลกโกรธหลงแล้วโลคมันปวนตายเลยนะแล้วก็กลายเป็นอะไรล่ะเป็นบุคคลที่ถูกเขาไล่ล่ า, ลาเอาไปเป็นทำงานจารชนสอดส่องพอสายลับทั้งหลายเนี่ยรู้กันหมดเลยไม่ต้องสร้างนะฮะ แต่ว่าจิตเหล่านี้เขาว่าสมัยโซเวียตนะครับคืออย่าลื ม, มาร์ตูตินเนี่ยเขาก็อยู่ในราชวงศ์โรมานอฟนะทำไมโรมานอฟวงสุดท้ายเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องเหล่านี้อยู่ที่เป็นโลกิยะแต่เขาใช้ไปในทางผิดแต่เขาก็เสื่อมแต่ว่าร่องรอยเนื้อหาวิชาเนี่ยมันยังอยู่พวกนี้ก็มาใช้นะฮะ ปราก็ว่ใช้เล่นโรจิตกันได้นะฮะแต่พอใช้ไปในทางผิดมันเสื่อมพัวนี้ใช้ต้องใช้ไปในทางชอบทำเท่านั้นก็ทําให้นึกถึงวิชาแพทย์แผนโบราณนะนะคือเคยเห็นบางเรื่องนี่อัศ จ, จรรย์นะเช่นกระดูกหักกระดูกแตกอะไรต่ออะไรเนี่ยทํท่านท ำ, ท ำ, ทำอัศ จ, จรรย์จริงๆเลแล้วหายเรียบร้อยดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบันเยอะแต่ท่านไม่เอาสตางค์ใคร ทำโดยไม่โลภทำโดยเมตตากรุณาทำได้นะแต่ถ้าโลภขึ้นมาแล้วก็ทำไม่ได้วันหมอพวกนี้จะจนหมอพวกนี้จะจนจะไม่รวยหรอกเพราะว่าช่วยเหลือเกื้อกูลแกสังคมเป็นเป็นก เ, เป็นงานอนุเคราะห์โลกนั้นก็แหน่พวกคุณสมบัติพิเศษต่างๆยังเป็นแน่ที่น่าสังเกตว่าใช้บวกนะใช้ในการอนุเคราะห์โลกประการต่อไปนั้นเป็นเจโตปริยานคือรู้ใจถ่ายใจบุคคลอื่น พนี้เป็นแนวของจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะฮะแต่แนวจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ว่าแนวจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานานั้นเราดูจิตเราแต่นี้ดูจิตคนอื่นนะฮะดูจิตคนอื่นได้แล้วก็รู้มันดูจิตตัวเองเราสามารถใช้ประโยชน์จากสภาพจิตของเขาเหล่านั้นได้ว่าจิตเป็นเป็นอย่างเงี้ยเรควรจะทํำยังไงนะสมมติสมมติมมว่า บุคคลจิตเขามีมีราคะจิตเขามีราคะอยู่แล้วก็อาศัยคุณสมบัติเนี่ยเจตุปริยาเนี่ยรู้ใจถ่ายใจเขาเนี่ยแล้วก็สอนธรรมะให้อนุวัตตามพื้นฐานจิตของเขาแล้วก็ค่อยดึงจิตของเขาออกมาจากการมราคาเหล่านั้น แล้วก็ดูไปเรื่อยนะฮะใกล้ใกลกับเราขัดภาชนะทองเหลืองขัดแต่มันมีสนิมก็ขัดไปขัดไปก็ดูไปขัดไปก็ดูไปขัดไปก็ดูไปเรื่อยเลยก็กลายเป็นเครื่องมือช่วยมนุษย์ไปอีกข่อห น, นึ่งข้อความตอนต้นนั้นรับสั่งเหมือนกันว่าภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ่ไม่มีกิเลสปัจจากอกุปกิเลส อ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ยอ่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจอตปรรญยาณเธอย่อมกาหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจของตนเองนะฮะคือจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคาจิตนายกรนายขอเนี่ยนะฮะสมมติว่าเราต้องการจะรู้จิตนายกอเนี่ยนายกรในจิตมีราคาเราก็รู้ว่านายกในจิตมีราคา จิตไม่มีราคาก็รั่วนายกจิตไม่มีราคาทีนี้เมื่จิตมีราคาเนี่ยทำยังไงถ้าสอนเนี่ยจะสอนอยังไงนะยกยกตัวอย่า ง, างเช่นพระเจ้าทรงใช้กับท่านพระนนนะพระนนเป็นพุทธอนุชาก็ร่วมพระชนกแต่ว่าต่างพระช น, นีกันเป็นพระเจ้าโอรสของพระนางมหาประชาบดีโคตรมี เจอเรานึกแล้วเนี่ยก็สงสารก็สงสารนะคือพระนนเนี่ยท่านแต่งงานขึ้นปราสาทใหม่สร้างปราสาทใหม่แล้วก็ทำพิธีสยุมพรแต่งงานใหม่ก็ฉเฉลิมฉลองปราสาทนะพระเจ้าก็เสด็จไปเราเห็นว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็ประชนพรรษาสามสิบแปดสาสิบเจ็ดสามสิบแปดไปแล้วนะ ประจัจะรุตอนสามสิบหกสามาเต็มนะสาม6ิหกย่างพระนนก็ต้องสามสิบกว่าแล้วก็แสดงว่าแต่งงานช้าก็าแต่งงานเสร็จทำพิธีเสร็จพระเจ้าส่งบาทให้ประนุนถือพระนรนก็รับบาทแล้วก็ถือเดินตามหลังต้อยๆกอยๆพระเจ้าไม่หันมาคุยด้วยเลย พนุนก็ต้องตามเพราะความคารวะยังเกรงเทิดทูนพระเจ้ฐานี่มากแต่ยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าด้วยแล้วเนี่ยยิ่งกลัวคารวะยังเกรงมากไม่กล้นนาทูลนะฮะก็คิดว่าพระพุทธเจ้าคงรับตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไม่รับอันก็คิดนะคิดตัวใจเจเจ้าสาวก็ตะโกนมาทางหน้าต่างบอกว่าขอพระลูกยาศรเสด็จกลับมาดนด้วยขอ พ, พระลูกยาศรเสด็จกลับมาโดนดวนด้วย ทันใจก็กระสันคิดถึงเจ้าสาวยังไม่ได้ส่งตัวเจ้าสาวเลยนะฮะพระเจ้าพาไปวัดแต่เลยไปถึงก็หันกลับมารับบาตรถามมนณ์จะบวชไหมมนณ์ไม่คิดจะบวชหรอกพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าแต่ไม่คิดจะบวชแต่ว่าด้วยความเคารพอย่างเกรงเนี่ยไม่ว่าจะตอบอยังไงถามมาอย่างงั้นน่ะถามให้ตอบบังคับไปด้วยเลยก็พอจะบวชพระเจ้าก็จัด ก, การบวชให้เลย บวไดแ้แล้วจิตใจของท่านก็กระวัตไปถึงคําสั่งของเจ้าสาวว่าขอพระลูกยาสเสด็จกลับมาดวนด้วยขอพระลูกเจ้าศเด็จกลับมาดวนด้วยเนี่ยทําให้ใจไม่สงบตั้งสมาธิก็ไม่ได้ศีลก็ยังไม่ค่อยจะเรียบร้อยสมาธิก็ไม่ตั้งมัน่นเพื่อนก็เห็นก็สอบถามก็นาํามาข้าวพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ไม่ไว้ว่าอะไรนะฮะ ก็รับสั่งด้วยพุท ธ, ธานุภาพเนี่ยนำท่านไปชมนางอับสอนในสวงสวรรค์แต่ใช้พุท ธ, ธานุภาพนะฮะในครั้งแรกเนี่ยให้ดูนางลิงรุ่นตัวหนึง่งอยู่ในป่าที่ถูกไฟไหม้ต้นไม้เนี่ยก็ถูกไฟไหม้จะเยอะหาตาก็มอมแมมแตวก็ให้ดูไว้ แล้เสร็จแล้วก็ให้ดูหนังอักษรถามว่าเป็นไงสวยไม่นอนสวยชอบไม่ชอบอยากได้ไม่อยากได้ถามคนไหนท่านตอบอย่างนั้นทุกเตี๋ยถามอย่างนั้นถามมาเทียบกับนางชนบทกัญญา น, นีตึงเป็นเจ้าสาวนี่เป็นยังไงการโอ้ยเทียบกันไม่ได้เทียบกันแล้วนางชนบทกัญญา น, นีเหมือนกัะลิงตัวนั้นเนะี่ยมันไปถอนกนารมราคะในตัวเจ้าสาวแล้วก็ไปสร้างราคะใหม่ราคะมันไหลเลยตีนี้ย ไปจับคนน้นคนน้นคนน้นคนน้นคนน้นไปมันเรื่อยๆอีกคนอีกคนนั่นชอบหมดเลยพระเจ้าก็รับสั่งว่านนตั้งใจปฏิบัติสัพนธรรมสิจะรับประกันให้ได้เจ้าสาวเหล่านี้แต่ก็ตกลงนะฮะแล้วพระพุทธเจ้าก็มาเล่าให้เพื่อนๆเขาฟังบอกว่าตอนเนี้ยเราเป็นนายประกันให้นนท์เขาให้เขาตั้งใจประพฤติปรมจร์และจะให้ได้นางอับสรเพื่อนก็ล้อเลยทีเนี้ย เป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างพระพุทธเจ้าพระเจ้าต้องจ้างให้พระพุทธประมาจันย์ื่อได้นางสอนกันก็อายแต่มันขัดติยามานะกดคืดสู้ขึ้นมาจอมเป็นเพียรตั้งกลางคืนกลางวันจริงอาจังเลยจนมาลุกมคผลเป็นรหาหันแล้วก็มาเปื้องปฏิยาทติรุปริจาให้ไว้พระเจ้าก็ทรงรู้แล้วนะฮะแต่เป็นอุบายวิธีเป็นอุบายทีในการฝึก จะเป็นเรื่องที่น่าศึกษานะฝึกพระนนเนี่ยเกิดหลายรูปแบบแลยเกินหลากหลายเลยเกินจะถามว่าทำไมตัวนั้นนะเพราะว่าทรงมีเจโตปริยานคือยังรู้ว่าพระนนเนี่ยเป็นคนติดติดทุกพระททุกชาติอะไปเจออะไรสวยๆก็ติดเลยแม้แต่ขนาดว่าเป็นเป็นม้าหรือเป็นลาเนี่ยหือไมแล้วนะเป็นม้าหรือเป็นลาเนี่ยเป็นม้ารู้สึกจะเป็นม้านะเกิดเป็นม้า แล้วก็พ่อค้าก็นําไปในที่ต่างๆไม่เกิดไปเจอมาตัวเมียเข้าพอใจติดใจนะฮะไม่ยอมไปไหนเลยดื้อเลยนะต้องเอากลับมาจัดได้หรือไม่ปล่อยให้ติดถ้าปล่อยให้ติดและมีปัญหานั้นก็แสดงว่าเป็นการศึกษาดูจิตคนแล้วก็หาทางแก้ไขว่าคนจิตอย่างเงี้ยจะทําอย่างเงี้ยถึงจะแก้ไขก็ได้ทีนี้จิตไม่มีราคา แสดงว่าจิตมันมีความพร้อมไม่มีราคาต้องไม่มีกิเลสข้ออื่นด้วยนะฮะ แ, แสดงว่าจิตก็มีความพร้อมที่จะรับรถของธรรมะนะก็ทรงแสดงธรรมะในแนวอนุโลมตามสภาพจิตที่มันพร้อมจะฟังธรรมะก็แล้วแต่ว่าปริยายที่จะนำแสดงโดยทรงแยกจิตออกไปเป็นชุดๆุุดดดดุดนะฮะประมาณรักแปดชุด ถือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคาก็รู้ว่าปิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตโถดถูก็รู้ว่าจิตโถดถูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งสร้านจิตมหักรตะคือถึงความเป็นใหญ่นะก็รู้ว่าจิตเป็นมหักรตะหรือจิตไม่เป็นมหักรตะก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหากรตะ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 ดูก่อนหมาบวพิษเปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบการแต่งตัวเมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาดสแสดงว่าในสมัยนั้นมีกระจกแล้วนะฮะมีกระจกแล้วเออเขาจะทำด้วยอะไรเนี่ยเวลาทรงสแสดงธรรมะเรียกธรรมะดาษะคือธรรมะที่เป็นดูกระจกสมับสองดูดูสภาพหยิตของตัวเองและสามารถไปวินิจฉัยตัวเองได้ว่า หรือสภาจิตที่เป็นอย่างเนี้ยตัวเองตายไปแล้วจะเป็นอะไรเป็นต้นเนี่ยเพราะงั้นเมื่อสองดูเงาหน้าในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาดหรือในผ้าจนะน้ําน้ําอันใสไอ้ น, นี่ก็แนวหนึ่งที่ทรงอุปมานิวร์นนะฮะนิวร์ในแปลกที่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาห้ามพละสสองดูเงาหน้าในกระจก เป็นวายแต่ต้องการจะรักษาโรคนะฮะสองดูเพื่อเกิดสวยงามเนี่ยก็ห้ามเพราะฉะนั้นเวลาพระเจ้าส่งแสดงอุปมานิวรณ์เนี่ยปรากฏว่าเป็นอุปมาที่น้ำํำสองดูน้ําในสภาพที่มันแตกต่างกันจิตที่ประกอบด้วยกายฉันนั้นเหมือนน้ําที่เจือด้วยสารพัดสีจิตที่ประกอบด้วยพยาบาทนั้นเหมือนน้าเดือดจิตที่ประกอบด้วยถีน้ำมิท่านั้นเหมือนน้าที่เต็มไม่ได้จอกแหม จิต ท, ที่ประกอบด้วยอุอุตตรป่กุจุจนั้นเหมือนน้าขุนและจิต ท, ที่ประกอบด้วยวิจิเกชานั้นเหมือนน้าโคลนนะฮะก็เป็นการสอนให้ดูพวกนั้นเป็นอุปกรณ์ในการสื่อในการนําความเข้าใจมาทําความเข้าใจมารู้จักกับจิตของตัวเองทีนี้พวกนี้ก็จะพึงรู้ว่าหน้ามีฝอยหรือไม่มีฝอยก็พึงรู้ว่าหน้าไม่มีฝอย ชันใดพิสุจนนั้นก็ชันนั้นแหลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวโดยในญยติดังกล่าวแล้วก็จะรู้จิตโดยในญ า, าี่กล่าวแล้วทีนี้จากที่รู้จิตเนี่ยจะทำให้พระองค์ส า, สามารถแสดงธรรมอนุโลมอนุโลมกับความคิดของบุคคลเหล่านั้นได้ที่บุคคลบางคนเนี่ยโปรดพระพุทธเจ้ามาถึงก็ดาก็มีนะมาถึงดาาก็มี ก็ทรงรู้จิตว่าคนนี้จิตมันโกรธผลให้เขาเห็นโทษของความโกรธหรือว่าเทศโดยปริยายอื่นแต่ว่าจบลงด้วยเขาเข้าใจนะะในที่สุดก็หายความโกรธแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลไปนี่เป็นเขาเรียกวาเจโตรปริยญาณเป็นปรีชายานที่ยังรู้ใจคนอื่นแล้วก็แสดงธรรมะอนุโลมตามพื้นเพจริตตัฏยาสัยของคน นะตามต้องควรแกฐานะของบุคคลเหล่านั้นที่เราเรียกอนุโลมเทศนานะฮะอนุโลมเทศนาหรือโวหารเทศนาหรือความหลากหลายด้วยโวหารแต่ว่าคล้อยตามพื้นเพจริอตอปฏยาศัยของบุคคลเหล่านั้นถ้าปาฏิหารเนี่ยเขาเรียกว่าอาเทศนาปฏิหารถ้าญาณเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าญาณเมื่อพิญญาเนี่ยเขาเรียกว่าเจโตปริญาหรือรู้ใจทายใจบุคคลอื่นได้ เป็นคุณสับัติพิเศษที่เกิดขึ้นจากสภาพจิตโดยในยา่าที่กล่าวแล้วนะฮะสภาพจิตที่ที่กล่าวแล้วก็คือจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ผองแผ่ไม่มีกิเลสปรสาศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ยมมนมโนมโอมจิตไปเพื่อเจโตปริยานแล้วก็จะรู้จิตบุคคลอื่นได้โดยพิจาราตามในยาดัางกล่าวในตอนสุดท้ายก็ทรงสรุปสรุปว่า ดูกองหนังวพิษนี้แหละสามัญผลที่ประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประนีกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ก่อนๆข้อก่อนๆต้องฟังทั้งหลายแารมโภฏยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นท่านี้ที่สุนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบูนในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี